ภาวนากันเริ่มต้นก็ทําใจสบายๆนี่แหละเวลาภาวนาไม่ใช่ไปเค่งเครียดไม่ใช่จะเอานู่นเอานี่ไม่ต้องตั้งใจเอาไว้ว่าขอให้ได้ปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเสมือลูกพระพุทธเจ้ามานานแล้ว แต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงจังก็น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราได้มาวัดแล้วมายังสถานที่ที่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพาสาวกของพระองค์อยู่กันเพื่อบาเพ็ญสมณะธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม มาแล้วก็แวดล้อมด้วยครูบาอาจารย์พระสงฆ์แม่ชีบ้างผู้ปฏิบัติทรรมด้วยกันบ้างจิตใจมันก็น้อมมาในทางที่จะสงบลมเย็นน้อมมาที่จะเดินไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสถานที่ก็เลยเป็นสถานที่เป็นมงคล เป็นสถานที่พาให้จิตใจของเราเนี่ยน้อมไปในทางสงบเยือกเย็นนี่แค่สถานที่มันก็มีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก็วางใจสบายๆขอให้ได้ปฏิบัติขอให้ได้ปฏิบัติผลมันเป็นยังไงก็แล้วแต่เพราะอันนั้นน่ะมันเป็นสภาวธรรมแล้วผลเนี่ยมันก็เกิดจากเหตุ ผลมันจะเกิดจากการปฏิบัติของเราไม่ใช่เกิดจากความอยากถ้าอยากนี่ไม่ได้ถ้ายิ่งอยากมันยิ่งดีบคันตัวเองดีบคันแล้วก็มันก็จะทาให้เคร่งเครียดทำให้ทรมานทำให้ปวดหัวทำให้เกร็งปวดไปตามร่างกายมาก ถ้ามันจะปวดก็ปวดแบบสบายๆมันถึงเรื่องของร่างกายเจ็บปวดไปตามธรรมดาพออดทนได้ก็อดทนไปก่อนอดทนไม่ได้เราก็ค่อยขยับเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเบธนาเราก็ทําให้มันสบายๆ ส, สบายที่จิตไม่ใช่ว่าออร่างกายเนี่ยเราจะให้มันสบายอย่างใจเรามันไม่ได้หรอกก็เราก็วางใจให้ถูกยอมรับมัน ว่าร่างกายเนี่ยยอมรับมันมีท่าทาระวังใจถูกต้องอ่ะสมควรทำเนียก็ ท, ำทํำถิ่ไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่าเออคนนั้นเนี่ยเจ้าใช้กรรมฐานอย่างนั้นแล้วได้ผลดีเราก็ต้องเปลี่ยนไปทําอย่างเขาบ้างเราทําอย่างนี้แล้วไม่ค่อยได้ผลเ อ, อ๊ะหรือว่าจะทํำยังไงดีนะมันถึงจะได้สมาธิได้ปัญญา เราเราเคยทำยังไงทำไปก่อนแต่ว่าให้มีความเพียรทำให้มันต่อเนื่องเพราะว่าการปฏิบัตินี้ก็คือการเจริญสติเนีย่ยที่สำคัญคือเจริญสติเพราะว่าสตินี่มันเป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหมดธรรมทั้งหมดนี่จะรวมลงที่สตินี่แหละถ้าว่าเรามีสติปับ๊บธรรมอื่นๆจะค่อยๆเกิดขึ้นเนีย่ยพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้ามีสติมันก็จะค่อยมีสมาธิมีสมาธิมีปัญญาหรือมีญาณรู้หรือมีฉันทะความพอใจปฏิบัติมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิคือปีติมีความสุขมีปัสสัิความสงบแล้วก็มีความสุขอยู่ที่จิตใจของเราหรือถ้าชานาญแล้วบางทีมันก็เฉยๆเดขาบป มันเข้าใจแล้วมันวางแล้วมันข้ามไปหมดแล้วสติมันดีแล้วมันไม่เอาอะไรมาให้มันรบกวนจิตใจใจก็แน่วแน่อยู่กับความแน่วแน่เนีย่ยใจเป็นสมาธิอันนี้เป็นผลหมดเลยไม่ต้องอยากก็ได้ถ้าไปอยากเนี่ยเดี๋ยวความอยากก็นําหน้าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้การปฏิบัติก็เลยไม่ได้ปฏิบัติท่าทางเหมือนปฏิบัติแต่จิตมัน มันมันวางวางจิตไม่ถูกวางจิตไม่ตรงเหมือนกับคนจะเดินทางไปไปกรุงเทพเนี่ยีิจะไปพารนาว่ากรุงเทพเป็นอย่างนั้นกรุงเทพเป็นอย่างนี้แต่ไม่เดินทางสักทีหนึง่งมันไม่ถึงหรอกกรุงเทพตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยบรรยายไปคิดไปนึกไปแต่ว่าถ้าเอาว่าเดร์เริ่มเดินทางเดินทางด้วยอะไรก็ได้ รถยนต์หรือว่าเครื่องบินหรือว่าเดินไปหรือว่าวิ่งไปเดี๋ยวมันก็ถึงเองเพราะนั้นคือลงมือปฏิบัติความสำคัญลงมือปฏิบัติเมื่อระวางใจถูกต้องแล้วพอใจสร้างเหตุเนีย่ยพระเจ้าบอกว่าให้พอใจสร้างเหตุเมื่อพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติแล้วก็ต้องเทียนละขึ้นเทียนปฏิบัติเหมือนเดินทางอะ พอใจที่จะไปแล้วก็เริ่มเดินทางระหว่างเดินทางก็รู้แล้วว่าการจะถึงหรือไม่ถึงอยู่ที่การปฏิบัติหรืออยู่ที่การเดินทางเท่านั้นก็คืออยู่ที่ความเพียรผู้จเจ้าเจ้าสอนให้มีให้มีฉันพะความพอใจปฏิบัติเมื่อพอใจปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็ต้องมีความเพียร ระดมความเพียรทีนี้การเพียมทางจิตเนี่ยเพียมยังไงอ่ะเรเพียมมีสติควบคุม จ, จิตใจหรือว่าเพียมเพื่อประคองจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คํานี้เพียมประคองจิตเพื่อให้จิตตั้งมัน่นเร่องนี้ก็หมายให้จิตตั้งมัน่นคือตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้จิตตั้งมัน่น เะสติมีจริงสําคัญเมื่อมันตั้งมั่นแล้วจิตไม่ชั่สายไม่คุ้งซ่านไปทางไหนเมันเป็นตัวสมาธิมันจริงต้องอาศัยจิตตั้งมั่นซะก่อนไอ้ตัว ส, สติตั้ ง, งมั่นขึ้นมาซะก่อนตั้งมั่นแล้วมันก็จะจิตเนี่ยมันก็ได้คุมจิตไว้จิตเนี่ยไม่ชั่สายไปไหนเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอารมณ์อะไรเกิดขึ้น จิตก็ไม่ซับสายไปไม่ทะเลทลายออกไปนี่แหละตัวนี่แหละคือตัวสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าตอนแรกๆนี้สติควบคุมจิตก่อนใครเคยบริกรรมพุทโธก็พุทโธพุทโธไปบางทีพอพุทโธแล้วบางทีก็จิตก็อยู่กับพุทโธได้นานขึ้นนานขึ้นเมื่อมันนานขึ้นจิตก็บางทีก็ มันก็ถอยออกมาจากพุทโธก็ได้บางคนก็ดูลมเข้าลมออกลมเข้าพุทลมออกโทนานๆเข้าจิตก็ถอยออกมาจากลมเหมือนกันเนี่ยคือมันจะถอยออกมาเมื่อมันวางแต่ถ้ามันยังไม่วางก็เอาบริกรรมไปก่อนดูลมไปก่อนตามลมไปก่อนตามลมไปบริกรรมไปด้วยก็ได้ลมเข้าพุทลมออกโทอันนี้หมายความว่า เบื้องต้นเป็นกรรมฐานของแต่ละคนทำยังไงก็ได้แต่ตัวสติเนี่ยมันจะเหมือนกันเป็นสภาวะอันเดียวกันเพราะเป้าหมายเนี่ยต้องการให้มีสติเพราะนันกรรมฐานเริ่มต้นเราทำยังไงก็ได้ของใครถนัดยังไงใครพอใจทำไงก็ทำได้สวดมนุ์นก็ได้ ตวจมลแล้วต่อมามันรู้สึกยาวเราลดลงก็ได้ทาไหนก็ได้เรื่อเป้าหมายคือให้มีสติเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักเป้าหมายหรือว่ารู้จักว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรนะมันก็จะง่ายสําหรับเราอย่างอยั ง, อยงเริ่มต้นเนี่ยเราจเจริญสติเนี่ยเพื่อความมีสติสติก็คือเพื่อให้มันรู้ตัวรู้ตัวแล้ว สตินี้ก็ควบคุมจิตได้จิตก็อยู่กับตัวเราหยุดกับตัวเรานานขึ้นเนี่ยตัวนี้คือตัวสมาธิอยู่ตัวเรานานขึ้นมันจะอยู่อา ร, รมณ์เดียวนานขึ้นจิตอยู่กับอารมณ์เดียวนานจิตเป็นหนึ่งหรือจิตอยู่กับอา ร, รมณ์ใดอา ร, รมณ์หนึ่งนานๆตัวนี้คือตัวสมาธิเพราะนั้นสติสมาธิมันก็จะเหมือนกันทุกคนแหละเพราะนั้นจะปฏิบัติยงังไงก็ช่างเวลาเดินก็เหมือนกัน บางคนก็เดินช้าแล้วจิตเป็นสมาธิดีเดินช้าก็ดีสำหรับคนนั้นบางคนเดินช้าไม่ไหวง่วงซึมเซซ้ า, ายซขวาเดินเร็วกับดีเดินเร็วคนคนเดียวกันบางทีเดินช้าดีกด็เดินช้าบางทีเดินเร็วดีก็เดินเร็ว ทีเดินช้าโดยเรยสลับกันไปก็แล้วแต่เพราะมันเป็นอุบายแค่ทําให้สติเราดีขึ้นมาแล้วให้มันวควบคุมจิตได้ถ้าหาว่าเราวางใจถูกพอใจปฏิบัติเล้วมันจะดีก็พอใจว่าได้ปฏิบนะัติแล้วไม่ดีก็พอใจปฏิบนะัติแล้วสงบก็พอใจปฏิบัติไม่สงบก็พอใจว่าฉันได้ปฏิบัติมันจะคิดไปบ้างพอใจว่าฉันได้ปฏิบัติ ก็เลยไม่ไม่กังวลอะไรจิตก็พอใจปฏิบัติธรรมชาติของจิตบางทีมันก็คิดไปบ้างเอาไม่เป็นไรเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตคนมีจิตมันต้องคิดตั้งแต่เกิดมาเราทําอะไรเราก็ต้องใช้จิตคิดนู่นคิดนี่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็ต้องออกมาคิดจิตเราเนี่ยความอยากความต้องการต้อมาในรูปของความคิด ก่อนจะทำอะไรก็คิดวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นจิตนี้มันเคยชินกับการคิดคราวนี้เราจะให้มันหยุดคิดให้มันจะมาอยู่กับตัวเราซะก่อนไม่ให้มันไปเอาเรื่องเอาราวข้างนอกเข้ามายุ่งมาก่อกวนจิตของตัวเองพอเราจะให้มันอยู่เราก็เอาคำบริกรรมบ้างดูลมบ้างพองนอ้อยุบน้อบ้างแต่ทีนี้ ไอ้ธรรมชาติหจิตมันเคยคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องไึกคิดอะรู้อารมณ์บางทีมีอะไรเกิดมันก็ออกไปรู้ออกไปรู้แล้วก็เราไม่ทันมันก็ปุ่งต่อก็เห็นว่าเป็นธรรมดาไปก่อนเนี่ยคือธรรมดาของกิต ด, ด้วยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปกังวลใจเอามันคิดไปแล้วก็รู้ตัวตั้งใหม่แล้วทําทให้มัน ง, ง่ายขึย้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องเคร่งเครียดเป็นเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่มัน สัจจันเหมือนถูส่งหล่องลอยอยู่ในอากาศเราคงปฏิบัติยากลาบากอันนี้เราคิดไปเองแต่ถ้าว่าเราเข้าใจแล้วให้มันง่ายๆทำให้มันง่ายๆแต่รู้ว่าสาระที่แท้จริงเพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไรอย่างเจริญสตินี่เราต้องการสติเมื่อต้องการสติเราก็ให้มันรู้ตัวรู้ตัวนี่แหละคือมีสติ ทีนี้ไอจิตของเรามันเลวอะเวลามันใจลอยไปไม่รู้ตัวเราก็ต้องบริกรรมเพื่อให้จิตของเราอยู่นี่มันคือก็เลยสติก็เลยมากํากับกจิตจินควบคุมจิตเพื่อให้จิตอยู่กับตัวที้มันมันมันก็ต้องมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์เดียวถ้ามันอยู่กับอารมณ์เดียวนานขึ้นนั่นคือตัวสมาธินี้สมาธิก็มีหลายระดับสมาธิ คันเด็กๆน้อยๆไปก่อนคาน้การสมาธิตอนแรกก็เอามันเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของผลอีกล้ะเราสังเกตได้สังเกตไม่ได้ไม่เป็นไรคือคือบางทีไอ้ไอ้จิตของเราเนี่มันเคยชินกับการคิดอ่ะบางทีมันก็ไหลไปทางนู้นไหลไปทางนี้เอาเรื่องนั้นเข้ามาบางเรื่องนี้เข้ามาบางก็ต้องอดทนทําไปก่อนฝืนไปก่อนถ้าทําบ่อยๆเนืองๆไงไอเนี้ย สตินี้มันจะควบคุมจิตได้เมื่อควบคุมจิตได้ไอสิ่งที่เคยจูงแต่งจิตมันจะหายไปสังขารทั้งหมด่ะหายคุมจิตะมันเคยครอบคุมจิตครอบงำจิต้ายไปจิตเราก็ตื่นข้างในไม่มีอะไรควกไม่มีอะไรครอบงำไม่มีอะไรเข้ามาปนเปื้อนในจิตจิตก็รู้สึกสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางคนจึงรู้สึกว่าเออจิตมันสว่างเหมือนจิตมันเบิกบาน เหมือนจิตมันอิ่มเอิบเหมือนจิตมันมีความสงบมีจิตมีความสุขมันเป็นอาการของจิตหลังจากที่อารมณ์ต่างๆมันเบาลงหรือมันลดลงหรือมันหายไปถ้าสติเราดีเราก็เห็นอาการพวกนี้ถ้ามันพอใจมันดีใจก็รู้มันดีใจเสียใจรู้เสียใจเพราะบางทีมันมันมีขึ้นมาบางทีมันก็หายไปได้ มันก็ไม่แน่นอนเพราะนั้นพระเจ้าองค์สอนว่าให้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้คราวนี้ก็ต้องตามรู้จิตคือมันยินดีรู้ว่ายินดียินร้ายรู้ว่ายินร้ายเราห้ามมันไม่ได้แต่ให้รู้มันเพราะนั้นหลักๆมันก็เป็นอย่างนี้พอใจว่าเราได้ปฏิบัติพอใจสร้างเหตุส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรม ถ้าจิตมันคิดไปก็เอามันเป็นธรรมชาติของจิตคนมีจิตก็ต้องคิดเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์คิดมึดปรุงแต่งอารมณ์ระวังใจถูกมันก็สบาสบายเอาคิดไปสะเปะสะปะเถอะไปแล้วไปเอาใมาอีกแล้วก็เราก็มีหลักของพระพุทธเจ้ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดีไรในโลกนี้เสียให้ได้ เราก็ละความยินดียินไลอ น, นี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติก่อจะพูดพื้นฐานให้ฟังไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าวันนี้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนแต่ว่าอันนี้พูดแนวทางการปฏิบัติก่อนอเพื่อที่จะให้ลองมาวัดผลดูว่า การปฏิบัติของเราเนี่ยมันมันมันเป็นไปยังไงเราจะมีอุบายยังไงที่จะทำให้ชีวิตของเราหรือการปฏิบัติของเรามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันเริ่มอยู่แล้วบางทีมันก็ถอยออกมาจากทำบริกรรมถอยออกมาจากลมแน่ๆอยอมันก็เฉยอยู่จะรู้ว่ามันเฉยรู้วมันนิ่ง กระดานี่คือเรียกว่ามันมันมันเปลี่ยนฐานแล้วจากการดูกายหรือว่าจากการบริกรรมนี่จากการดูลมมันก็เปลี่ยนมาดูจิตดูการของจิตก็มันพอดียังไงเอาอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยพอมันถอยออกมาแล้วจิตมันเคยเคยเจ็บจ่ออยู่กับอารมณ์อ่ะมันก็เลยไม่รู้จะอยู่ยังไง มันก็ว่วงซุ่มไปจิตเล็ดลอดออกไปทางโน้นทางนี้อีอย่างจิตมันเร็วพอพอมันนิ่งปั๊บทีนี้เราสติเรายังอ่อนอยู่มันมันพอพอพอจิตมันออกมาตามลําพางเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้ได้พอมันเร็วเราก็บริกรรมใหม่หรือบางทีเราก็เอามาดูร่างกายคือให้มันให้มันมีที่อยู่ เอามาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอันไหนชัดเจนอันไหนที่มันพอดีกับกจิตเราเราทําได้มีเรื่ ว, ว่าจะเริยสติปัฏฐานสี่ส่วนใหญ่บางทีเขานิยมสอนกันให้มาดูร่างกายเพราะว่าร่างกายมันเป็นมันเป็นฐานใหญ่หมายาว่ามันมั น, ม, นมันชัดเจนมันหยาบ เอามาเพ่งดูล่างกายเอามาดูล่างกายเอามา อ, อย่างดูผมอย่ารู้สึกว่าผมอยู่บนชีรษะผมผมบริกรรมนึกแล้วก็เหมือนกับความรู้สึกอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ศีรษะเราผมผมนึกถึงเส้นผมถ้าว่าเรานึกไม่ออกเราก็ดูภาพก็ดัในหนังสือบริกรรมไปด้วยดูไปด้วย นี่รว่าดูร่างกายคือาการสามสิบสองเขาเรียกว่าปฏิกูลมนาคิการะหมายว่ามีเอาใจใส่ในเรื่องความเป็นปฏิกูลหรือ่าคนก็ดูลมดูลมต่อไปลมมาก็ดูลมลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมสั้นลมยาวรู้ลมเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็รู้จ่ออยู่ที่ลมตามดูลม ว่าจิตจะดูอะไรก็ตามถ้าเอามันตามอารมณ์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย อ, อย่างลมนี่มันก็จอจ้องอยู่ทีลมไม่ดูอย่างืินเลยอ่ะมันหมายความว่าตอนนั้นมันกำลังต้องการสมาธิมันต้องการให้จิตควบคุมจิตให้อยู่ให้อยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เลยต้องทำอย่างนั้นมันพอดีในจิตอย่างนี้มันก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนมันก็คมจิตจิตก็จะแน่วแ น, น่ลงไป อย่กับลมหรือว่าอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วอารมณ์เดียวไปเรื่อยไปแต่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อเรื่ยมีสมาธิก็มีความลึกซึ้งมากขึ้นแต่เป็นสมาธิที่รู้อารมณ์แต่ยังไม่รู้ลักษณะความเปลี่ยนแปลงยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไม่เข้าใจว่ามในไม่ใช่ของเราอันนี้อยู่ในขั้นของสมาธาิเหมือนกันแต่ว่าขั้นไหนก็ตามเนี่ย อาการที่จิตมันนิ่งงีอนุอารมณ์เป็นหนึ่งนั่นแหละคืออาการของสมถะแต่แต่ที่เขาแยกชัดเจนก็หมายก็ว่าทีแรกอ่ะปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเรายังปฏิบัติสติเรายังอ่อนยังไม่มีกำลังเนี่ยมันก็มามามามุ่งอยู่ที่ให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียว ใหอารมเป็นหนึ่งนกว่ามันจะมีกำลังแล้วมันก็จะค่อยออกรู้แต่บางคนที่มีนิสัยเคยเจริญปัญญามาหรือวิปัสสนานาหน้าสมถะเนี่ยพอจิตเริ่มอยู่ก็เริ่มเห็นหนู่นเห็นนี่เ ห, หมือว่าเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันดับไปเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ จิตมันก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงล้ว่ันเป็นนั่นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นจริตของคนนั้นบางคนก็จิตลงไปพักนะมีเนื้อหมายว่าเอเราพูดพูดรุ่รวมก่อนพูดโครงสร้างเข้ามันก่อนส่วนเราไปถึงไหนเราก็ทำไปฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้เราก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อย บางคนเนี่ยพอจิตมันมั น, ม, นมันควบคุมจิตให้อยู่ให้นิ่งนิ่งแล้วก็จิตก็ลึกซึ้งเข้าไปนเนี่ยแล้วก็ไปหยุดอยู่หยุดอยู่ข้างในนี่เลยว่าจิดมันลึกซึ้งเข้าไปข้างในจากสมาธิเด็กน้อยสมาธิเบื้องต้นเป็นขั้นิตัดสมาธิก็มาอุปจารสมาธิสมาธิขั้นกลางๆแล้วก็สมาธิขั้นลึกซึ้งอัปปนาสมาธิ ซึ่งบางทีก็แยกเดียกว่าปฐมฌานทุติยฌานต ต, ติยฌานเจตุตฌานอูปฌานก็ลึกซึ้งเข้ามาข้างในทีนี้ถ้าจิตมันมันไปนิ่งอยู่มันไม่รู้อะไรแต่คอยคอยดูเวลามันจะออกมาเวลามันถอยออกมาเราก็เอามาจเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเอามาดูขันห้าก็เอามาดูว่าอะไรมันชัดเจนก็ดูนั้นไปอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งถอย มันหมดกำลังแล้วก็ต้องคุมให้มันดูดูเพื่อที่จะให้มันให้มันรู้แต่ถ้าหาว่าเออมันมันมันหมดกำลังจริงๆและมันมันดูไม่ได้แล้วเราก็เอาใหม่อีกแสด้ว่ากำลังยังไม่พอเพราะมันออกมาแล้วมันหมดกำลังก็เอาใหม่อีกปฏิบัติใหม่อีกต่อไปมันจะค่อยๆชำนาญขึ้น มันต้องใช้เวลาเหมือน ก, นการปฏิบัติธรรมจะไปรีบเร่งไม่ได้จะไปพอพอมันนิ่งไปแล้วนิ่งได้เล็กน้อยก็มักจะมาถามอยู่ด้วยว่าแล้วจะพี่นาอะไรถ้ากำลังไม่พอมันทำไม่ได้ต้องทำให้มันมีกำลังสียก่อนแต่บางคนก็ มันดูไปเลยอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเลยจิตสงบก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้อะไรเกิดขึ้นรู้พวกนี้มีนิสัยที่เคยเจริญปัญญามามีปัสนามาตัวที่ไปรู้ในสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่ายานมียานรู้หมายว่า ต, ตามที่เหตุกินจิตเห็นเนี่ยเห็นด้วยจิตเนี่ยไม่ผ่านความคิดไม่ต้องไปคิดเห็นเลยก็ับอันนี้เกิดระดับอันนี้วบแวบอันนี้เกิดขึ้น เอาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือตัวจิตเห็นเห็นด้วยจิตเขาเรียกวิญญาณเห็นแล้วมันมันมันเห็นว่าไอสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเรานี่ก็คือเห็นอนัตอนัตตาเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนี่คือเห็นอนิจจังหรือว่ารู้สึกว่ามันทนได้ยากมันทนได้ยากในจิตก็เลยเห็นทุกขังเห็นทุก เป็นสภาวะทุกข์แต่ทีนี้มันมันมีอีกบางคนเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรามาทำเป็นขั้นตอนอย่างนี้บางทีมันเหมือนกับว่ามันไม่ถูกกับใจตัวเองคล้ายๆกับว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่บางคนนี่ สอนเอาความจริงมาสอนจิตเลยอย่างร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องตายแ น, น่ๆเขามองดูร่างกายเลยเอาจิตเนี่ยสแสดงว่าเขาต้องมีสมาธิพอสมควรแล้วเขาก็เขต้องเคยปฏิบัติมาถ้าไปทำอย่าง อ, างอื่ น, นี่มันเหมือนกับมันมันเริ่มช้าถ้าอาว่าได้สอนจิตซะก่อนร่างกายไม่ใช่ของเราแ น, น่ๆมันต้องตายกันทุกคนเขาก็ตายเราก็ตาย เพราะมันไม่เห็นไปสนใจร่างกายของใครไม่ไปสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องตายอยู่แล้วตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเอาอะไรไปก็ไม่ได้เดียกวรับเข้ามาเลยเอาให้จิตมันยอมรับเลยตายลงไปกัเลมเคยก็ไม่มีเนี่ยผัดไฟเคยทำให้อบอุ่นเคยให้ร้อนกอดเย็นลงไปหายไป ถาดน้ําเคยอยู่มันมีลมไฟประคับประคองกับไหลยเยิ้มออกมาสุดท้ายเหลือแต่ดินร่ า, างกายจริงๆมันไม่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆอะ่ะฉันสอนจิตไปเลยแล้วแล้วจิตไปยุ่งกับอะไรอะ่ะด่งกับร่างกายคนอื่นเนี่ยร่างกายคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ยร่างกายสัตว์ก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ยมก็คดเข้ามา จิตใจเอามาดูว่าจิตใ จ, ใจมันทำงานยังไงเอาจิตก็ได้ทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยมันจะต้องมารับกรรมเพราะกรรมมันพาให้มาเกิดมาเกิดแล้วมันถ่ายโอนคุณสมบั ต, ติของกรรมมาด้วย เมื่อมันถ่ายโอนมาแล้วมันต้องต้องเนะมีรูปนามมีกายมีร่างกายนี่แหละเพื่อมารองรับกรรมมีจิตใจเพื่อรองรับกรรมคุณสมบัติของกายคุณสมบัติของจิตที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวเนี้เนี่ยเป็นผลจากกรรมเก่าพระพุทธเจ้าบอกเองเลยว่ารู้ก่อนที่สูทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่าเนี่ยเราได้มาด้วยกรรมเก่า เป็นผลของกรรมเก่าพวกนี้ก็จะลองรับเอากำรรทีนี้มันลองรับกรรมได้ยังไงเรามีตามันต้องเห็นพอเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมตาเห็นตับ๊บมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นถ้าตาเห็นถ้าสติดีรู้สึกว่าเห็นสัตรวาเห็นเนี่ยจะทำได้แต่ถ้าหาว่าสติยังอ่อนอยู่ทาไม่ได้เห็นตับ๊บมันก็จะมีความรู้สึกขึ้นมา สวยงามน่ารักน่าใครน่าชอบใจเกิด ค, ความพอใจขึ้นมาชอบใจขึ้นมาถูกใจขึ้นมา ม, มีมาจากการตาเห็นก่อนแล้วก็มุกเข้าไปหาจิตถ้าใครรู้ทันตรงนี้ความรู้สึกอันนี้ก็จะดับแต่ถ้ารู้ไม่ทนความรู้สึกว่าอยากอยากได้มันมามันก็จะเกิดขึ้นอยากเอา อยากเอาก็อยากใกล้คิดอยากสนิทสนมอยากคุ้นเคยอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากได้มาแล้วก็จะมีความสุขอย่างนั้นความสุขอย่างนี้นมันจะพุ่งกัะนไปนี่คือตัณหามันมันมันเริ่มก่อตัวขึ้นก่อนแต่เราไม่ทันตัวตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานคือมันไปคว้าไว้แล้วยึดไว้แล้วพอยึดไว้แล้วทีนี้มันก็มาฝังอยู่ในจิตเป็นภบ พบแล้วก็เป็นชาติปรุงแต่งวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาแล้วก็ครอบงาำจิตยิ่งคิดยิ่งครอบงาำจิตยิ่งคิดยิ่งครอบงามกิ ต, ต, ๆๆตแล้วผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีมันจะมีพวกมารมันอิจฉามันไม่อยากให้เราเก้าวหน้าพอเห็นเราเสียท่าเท่านั้นแหละมันโสมรอยทันทีเลย มันไม่ปล่อยมันมันส่งสัญญาณเข้ามาเรื่อยมันเอาเรื่องนั้นเข้ามากระซิบกระสาบไว้ในจิตของเราฝังลึกอยู่ในจิตของเราเราอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะเราไปหลงกลมันแล้วนอกจากว่าเราจะต้องเด็ดขาดเด็ดขาดเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนนี่เราจริงแม้ให้อธิษฐานมีคนหนึ่งเขามาที่วัดพระรามเก่า วนเวียนเขาบอกมันไม่รู้เป็นยังไงเขาว่ะเออมันอ้อยช้อยอ้อยอิงบางทีก็เข้มแข็งมีกำลังเดี๋ยวก่อนปวกเปียกนะไปเกี่ยวข้องอีกแล้วไปเกี่ยวข้องก็มีทุกข์มีปัญหาก็รู้อยู่แต่ว่ามันบังคับไม่ได้ก็เลยบอกเอาช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษานะหนูรักษาสิมแปลได้ไ้ยอธิษฐานเลยบอกว่าเนี่ย จะรักษาทิงแปดบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รักษาให้บริสุทธิ์ทํามโนมไว้จริงๆเอาสักวันหนึ่งก่อนเอาวันแรกให้ได้ก่อนคือมันจะไม่ยอมต้องเอาให้มันได้เอาเง่ายๆวันเดียวสามวันว่าไปเจดวันต่อไปก็เป็นเดือนต่อไปก็สามเดือนต่อไปเวลาใกล้จะออกให้อธิษฐานเรื่อยไปเขาไปทํา ไปทำแล้วก็ก็มารายงานผลอยว่เดนรู้สึกหน้าเบิกบานขึ้นมาที่แรกก็คิดแต่ว่ะมันมีความคิดบอกว่าเป็ น, ปนไรอะ่ะใหม่ๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องใช้ใช้การอธิษฐานช่วยเอาศีลเข้ามาคุ้มครองไว้ ม, มันก็ต้องสร้างภูมิต้านฐานขึ้นมา หมือเมื่อใช้ปัญญาเห็นโทษของมันบ่อยๆพูดโทษเหมันฟังโทษของมันแล้วก็ไม่ไปทาตามมันก็ดับนี่คือคือการทํางานของจิตเนี่ยเราไม่ทานมันแต่ทีแรกนู่นตอนมันกระทบปั๊บเนี่ยสติเราอ่อนเรื่องมันก็มีเวทนาขึ้นมาทไม่ชอบใจก็เป็นอย่างหนึ่งนะทามันไม่ถูกใจไม่สบายใจปั๊บมันจะไม่ชอบไม่ชอบก็อยากให้สิ่ง น, นั้นหายไป ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากเข้าไปสนิทสนมคุ้นเคยไม่อยากใกล้ชิดไม่อยากเห็นหน้าอยากให้สิ่นนั้นหายไปมันก็จะมีอุปทานอย่างหนึง่งเรเดี๋ยววิภาตัณหาไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยอันหนึ่งก็อยากเอาเข้ามาอยากได้ได้มาแล้วคิดว่าจะมีความสุขมันก็เป็นการมราคะ ตา ม, มาราคาหมายว่าเราจะไปเอารูปรถกี่เสียงสัมผัสมาเพื่อให้เรามีความสุขราคาก็คือความกำหนักความกำหนั ก, ก, นกจะไปเอามาไม่ว่าเกี่ยวกับเด็กก็ตามเราอยากกอดเด็กอยากหอมแก้มเด็กเนี่ยพวกนี้เป็นราคาทั้งนั้น ว่าราคะนี่ยหมายว่าเราจะไปเอาพวกลูกรถกี๋เสียงสคำฝันมาทําให้เรามีความสุขเราไปเห็นกระเป๋ากระเป๋ามันรู้สึกว่าเออมันสวยงามเราอยากได้แต่สิ่งนั้นก็เป็นเป็นเป็นวัตถุกรรมไอ้จนนั้นไม่ใช่กิเลสของไม่ใช่กิเลสของก็เป็นของแต่ตัวกิเลสเนี่ยหมายว่าเตัวจิตของเราที่มันไปอยากเอาเข้ามา ถ้าเราทันมันก็เออเป็นอาการของกิตแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่เสียหายนะไอการที่จิตของเรามั น, มนอยากได้อยากเอาเนี่ยไม่ได้เชือเรื่องเสียหายถ้าม่มีเหตุผลเพียงพอเราตัดสินใจเอาก็ได้แต่ถ้าหาว่าเออมันมันไ่มีประโยชน์อะไรหรือไม่มีเหตุผลที่จะไปเอามาอันนั้นมันเป็นกิเลสแล้วมันไม่สมควรเอาก็ไปดิ้นรนเพื่อจะเอามา ก็เริ่มตั้งแต่ที่แรกสติเราอ่อนกระทบอารมณ์ก็ไม่ทันตอนมันกระทบกระทบแล้วมันมีความรู้สึกสบายไม่สบายก็ไม่ทันอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหากลายเป็นปัญหาก็ยังไม่ทันอีกว่ามันมีตัวอยากขึ้นมาแล้วมันก็ส่งใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นตอนแรกมันอยู่ข้างนอกมันก็เข้ามาอยู่ในจิตเรามื่เป็นภพ ฝังอยู่ในจิตเป็นพบแล้วก็ปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในจิตมีน้ำหนักอยู่ในจิตเรีวเป็นชาติหรือเราถ้าเป็นชาติถ้ามีชาติกี่ทุกขะถ้ามีชาติเมื่อไหร่มันจะต้องมีชรลาโมลานะออก่อนที่มันจะอารมณ์เหล่านี้มันจะดับไปมันก็ต้องมีโศกะเนะี่ยมีเริ่มมีความเศร้าโศกแล้วปุริเทวะร้องให้ลําพึงลําพันทุกข์าทุกกาย ภูมิมนุษยทุกใจอุปยาศะขับแขนใจเหือดแท้งใจบรรลุในขึ้นเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับเพราะใ น, นเหตุมาจากไหนสติไม่มีกำลังเราเจริญสติน้อยความเพียร น, น้อยพอสติไม่มีกำลังกระทบอารมณ์ปับ๊บไม่ทันเวทนา พัดสะทำให้เกิดเวทนาเนี่ยเขาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสลายตนะคืออายตนะทั้งหกสลายตนะนี่หมายว่าอายตนะหกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับข้างนอกอายตนะข้างนอกคือรูปรสกลกิ่นเสียงสัมผัสโธพธะะแล้วก็ธรรมารมณ์กระทบแล้วก็กระทบเข้าไปถึงจิต เป็นเวทนาขึ้นมาถ้ารู้ทันมันก็เวทนารับสบายก็รู้ว่าสบายไม่สบายก็รู้ไม่สบายทือไม่ทันเป็นเราไปแล้วทีนี้อยากขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทันอีกไปอยู่กระทานยึดเข้ามาแล้วก็ไม่ทันอีกฟุ้งแต่งเยนเยนเป็นเราแล้วทีนี้เป็นเราเป็นเขา อ, อ๋อที่แรกอากายร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา มันจะต้องรอวันเวลาแตกดับสลายไปรู้มหมดเลยถ้าไม่ได้แย่ yeah. ต้องได้ต้องเอาเอาแล้วต้องมีความสุขอย่างนั้นต้องมีความสุขอย่างนี้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บางทีก็รู้ว่ามันจะมีทุกข์แต่ว่าใจมันดินน้นรนอานาจของมารก็มีกำลังแบบไม่ได้ต้องเอาต้องเอาเอาเอาชอบชอบชอบมันทำได้กระทิบได้ มันส่งสัญญาณเข้ามาแล้วกระิบทำให้จิตของเราคอยตามทันทีเลยคอยตามกันหลงว่าเป็นเราอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นมารเพรา ะ, ะนั้นถ้าหากว่าจะถอยออกมาจากมันก็ต้องเอาความกินมาสอนจิตตัวเองเลยสอนเลยเขาตายไหมเราตายไหม ตายแล้วเป็นยังไงเอาคิดถึงความตายกันไปเลยหรือจะมาศึกษาเรื่องจิตก็ให้รู้ว่าไอ้จิตการทํางานของจิตเนี่ยมันเป็นแค่กระแสกระแสการทํางานของจิตเฉยๆเราไม่ทนันมันมันก็เลยเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ป น, ต เ, ปนตเป็นเรื่องเป็นเล่ามากมายฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะให้ทํำยังไง ถ้าเกิดเป็นพ่หลานแล้วท่านทํายังไงพ่อหานมีสติสมัชัญญาณทันสมบูรณ์อะไรควรทําทําได้ทันทีอะไรไม่ควรทําหยุดได้ทันทีอยู่คนเดียวก็ตามอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆก็ตามเพราะท่านฝึกฝนมาจนกระทั่งอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงได้เรื่อจิตเนี่มันฝึกได้ฝึกเจนความ เข็นแข็งของจิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์ทั้งปวงที่พูดนี้หมายความว่าผู้ที่ต้องการปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากการถูกครอบงำด้วยอารมณ์ทั้งหลายมุ่งเพื่อไปสู่ความเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งปวงเพื่อความไม่มีทุกข์ก็พูดไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วผู้ปฏิบัติก็รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วย ก็สามารถเอามาพูดสู่ฟังได้แต่ทีนี้ถ้าเราฟังแล้วเราก็ขึ้นอยู่กับฐานะของเราในเมื่อเราเป็นยมยังต้องครองบ้านครองเรือนยังต้องประกอบอาชีพหน้าที่การงานต้องมีภาระหน้าที่เพราะว่าเร า, เราเหตุปัจจัยเรามาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาตามฐานะของเราแต่ว่าหลักปฏิบัติก็ต้องให้ได้ปฏิบัติ จะมากจะน้อยก็ขอให้ได้ปฏิบัติได้ขนาดไหนก็พอใจว่าเราได้ปฏิบัติก็ดีกว่าที่เราจะไม่ได้รู้จักทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าว่าเราไม่ได้ศึกษาแต่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ไหมเพราะเราจะต้องทําวันเดียวทําวันนี้วันพรุ่งนี้เดือนนี้ตีนี้ตีหน้าค่อยๆทําไปได้ขนาดไหนก็เอา เพราะเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างบรารมีสร้างบารมีจนกระทั่ ง, ทงตัดสืบเป็นพระพุทธเจ้าได้นับนับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นอาสงไข่อาสงไข่แต่ละอาสงไข่นับชาตินับไม่ถ้วนเนี่ยแต่ว่าพอบบริบูรณสมบูรณ์แล้วก็บรรลุเป็นตัดสืบเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือผู้ที่จะ บรรลุตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตั้งแต่อดีตมาสมัยพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันผู้นั้นก็ต้องเคยทำมาเคยปฏิบัติมาจนถึงเวลาแล้วผลของการปฏิบัติบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็บรรลุตามพระพุทธเจ้าไปคนทุกไปด้วยกันก็ต้องมีเหตุมาก่อนแล้วทีนี้ถ้าหาว่าเราเนี่ยเออมาปฏิบัติแล้ว เรารู้ทางเห็นทางแล้วเข้าพอเข้าใจแล้วพอปฏิบัติได้แล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเราอยู่ในฐานนั้นไหนเราจะเอาขนาดไหนไม่ต้องให้ว่าจะต้องมาบีบคั้นว่าอุย้ยไม่ได้เรานี่แย่เป็นคารวะออกไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อยากทำมาหากินก่อห่วงอยากปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก่อห่วงบ้านหงเรือน ของครอบครัวก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมาขนาดนี้อย่างน้อยก็ให้เราว่าเราได้ปฏิบัติตามส่วนต่อไปถ้าหาว่ามันมีความพร้อมเราค่อยว่ากันเราจะเอาจริงจังก็ได้ถ้ามันพร้อมแล้วตอนยังไม่พร้อมอยู่นี่เอาเราก็ไม่ให้มีปัญหาละเรียกว่ารับผิดชอบในสิ่งที่มันได้ก่อเกิดขึ้นมาแล้ว มันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราอจะต้องรับผิดชอบมันแล้วก็รับผิดชอบให้มันดีขึ้นมาก็วางใจให้มันสบายๆนอกจากว่ามันลงตัวแล้วเรียบร้อยแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรียกว่าอา้าวไปได้แล้วเนี่ยตัดสินใจได้แล้วมันมีความพร้อมที่จะเป็นไปได้แล้วมันก็มีก็ทําได้จริงว่า แต่ละคนแต่ละคนเนะ่ะมันก็ต้องหาความพอดีของตัวเองหาความลงตัวดังนั้นถ้ามาพารนาะดูร่างกายของคนเราเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยสุด ท, ท้ายมันชัดเจนอะ่ะว่าเออมันต้องตายกันทุกคนอะ่ะตายแล้วก็เผาไฟมันก็เหลือแต่เท่าฐานหรือถึงไม่เผาก็ไปฝังไว้ก่อนสลายกลายเป็นดินหมดไม่มีเหลือ มันยอมรับกันอยู่แล้วเนี่ยอาแล้วมันหลงอะไรอ่ะทีนี้การทํางานของจิตเราก็มาดูความเป็นจริงอ่ะถ้าสติมันดีมันรู้ทันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันรู้รู้แล้วก็ดับเหมือนตอนที่เราเป็นสมาธิเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้รู้แล้วก็อ่ะมันก็ดับไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้มัน ดูถ้าสติมันดีมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เอาเข้ามาฝังอยู่ในจิตไม่เอามายึดมั่นหรือมั่นในจิตเพราะมันเห็นว่าของนั้นน่ะมันเกิดดับเกิดเองดับเองจิตเราก็ดูอยู่อ่ะเป็นผู้ดูอยู่อ่ะตอดูอยู่มันรู้แล้วมันเห็นแล้วมันจะไปยึดได้ยังไงอ่ะยังไงยังไงมันก็ต้องปล่อยเพราะมันเห็นความเกิดดับเกิดแล้วก็ดับแล้วจะยึดได้ยังไงมันก็ไม่ยึดที่มันยึดน่ยคือมันไม่เห็น ถืออยว่าในชีวิตประจําวันมันก็มีหลายอย่างเพราะว่าเราเราไม่ได้ปฏิบัติแบบจริงจังเหมือนเหมือนเหมือนพระที่ท่านเสียสลาแล้วหรือว่าในคันสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติจริงจังมุ่งมัน่นสติของท่านก็จดจ่ออยู่ตลอดมันเป็นวิถีชีวิตของท่านแล้วเพราะท่านเลือกที่จะมาอยู่ในป่าที่จะอาศัยการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์แล้วอินทรีย์ของท่านก็แก่กล้าแล้วเหมือนกับว่าท่านพร้อมแล้วบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็ทําได้อย่างนั้นลงตัวของท่านมันก็รู้ทันมันก็ไม่ยึดอะไรอ่ะปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเอยแต่เรานี่ย ม, มันดําเนินชีวิตไปสติก็อ่อนเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาก็ดึงจิตไปทะเลทะไลไปชัดสายไป กลับมาถ้าเราไม่ฝึกเลยไม่ปฏิบัติตามพระเจ้าเลยก็ยิ่งทุกข์กว่าเก่าเรื่องนั้นก็มาเรื่องนี้ก็มากุ้มลุมเรื่องที่หยังไม่หมดไปเรื่องที่สองเข้ามาเรื่องที่สองยังไม่หมดไปเรื่องที่สามที่สี่ลึกขึ้นมาอีกอ้าวกับย้อนกลับมากุ้มลุมจิตอไม่ก็ทุกข์ามากทุกข์มากก็ต้องหาทางออกสุดท้ายต้องปฏิบัติพอไม่ปฏิบัติเนี่ยทุกตลอดไป แต่ถ้าปฏิบัติเองอย่างน้อยก็ยังรู้ทางแล้วเริ่มแล้วว่าเราได้เดินตามทางของบุตรเจ้าแล้วเห็นโทษแล้วว่าชีวิตนี่ยมันเป็นทุกข์การเกิดนี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้า เ, เห็นทุกข์นี่มันจะไม่กลัวหรอกอนี่แหละมันมาสอนแล้ววัตถะที่เราเกิดนี่เป็นวัตถะสงสารวัตถะทุกข์เกิดมาแล้วไม่ทุกข์ไม่มีเกิดทางจิตก็เป็นทุกข์เกิดทางจิตคือชาติชาตินี่หมายว่ามันปรุงแต่งวนเวียน อยู่ในจิตซ้ำไปซ้ำมามีน้ำหนักอยู่ในจิตดีพคันจิตเนี่ยไอจิตใจมันเป็นนามธรรมทุกเฉเวลามันทำงานเนี่ยมันรู้อารมณ์แล้วก็มันจะไปรู้อารมณ์ใหม่เรื่อย อ่ะยัะเชืตาเห็นปั๊บเนี่ยมันเห็นแล้วถ้าหูได้ยินเสียงก็วิ่งมารู้รู้เสียงได้กลิ่นก็วิ่งไปรู้กลิ่นได้รสก็วิ่งมารู้รส ก, กายถูกเจ้าสัมผัสอะไรมันก็รู้กายจิตคิดอะไรขึ้นมามันกระทบจิตมันก็ไปรู้จิตรู้ที่จิตคือมันมันมันทํางานอยู่ตลอดมันเป็นกระแสงความเกิดดับเฉยแต่ว่าเราไม่เห็นพอไม่เห็นก็เลยว่าจิตเนี่ยจินตนาการว่าจิตเป็นเราเป็นของเรา เหมือนมีลูกมีล่างแต่เรายังไม่เห็นอะไรทำนองนั้นจริงๆไม่มีลูกล่างเป็นนามธรรมที่เฉยแต่เราดนธรรมชาติที่ต้องรู้อารมณ์โน้มไปสู่อารมณ์ยึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้ตามธรรมชาติของมันความเป็นจริงมันจริง ไม่มีเราอยู่เลยอะ่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเข้าใจอย่างเงี้ยร่างกายบอกโอ้มันมันมันรอเวลาแตกดับสลายไปหรือว่าเอเรานั่งดูก็ได้โอ้ลมเข้าลมออกเนี่ยดูสิลมหายใจเอาง่ายๆเลยมันหายใจเองแต่จิตเราทึ่กทักเอาเองแล้วว่าเป็นของเราเป็นตัวเรากายเราเพราะตั้งแต่เกิดมามันก็เหมือนเป็นของเราอยู่ตลอดอเพราะเราไม่ได้ทําความเข้าใจถ้าทําความเข้าใจเอาจิตไปดู เอาความรู้สึกดูเอาร่างกายเนี่ยอยู่ดีก็หายใจเข้าหายใจออกเอาที่แรกเรานึกว่าเป็นเราที่แท้มันหายใจเองส่วนต่างๆร่า ง, า, งางกายทํางานเองหมดเลยหรือล่างกายก็อยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอะนั่งหวีเฉยเหมือนเรามาอาศัยอยู่มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกแล้วยืมใช้ชั่วคราวเฉยรอเวลาที่พระพารากจากเราไป ถ้ามันเหอนกายเราชัดยอมรับว่าไม่ใช่ของเราแน่ๆไอ้กายของคนอื่นยิ่งห่างไกลไม่ต้องไปสนใจมันมากมีแต่ใครมีกามูลค่ามึงมากเอามาดูให้มันเห็นว่าเออไอ้ตัวเราเนี่ยเอาดูข้างนอกไปดัถ้าลองไม่อาบน้ํานะโอ้โหมันคันนะมีกลิ่นด้วยนะ ผมเผาทรงกิน่นเนื้อกินเนื้อกินตัวกินเตากินเนือกินไครผมเสื้อผ้าผมันติดเสื้อผ้านุ่งเสื้อผ้ากินก็เต็ดไปกับเสื้อผ้าเนื่อความสกรปรกเข้ามามันจะได้แบนเทาลงไปมองดูหยา บ, ยบ โอ้โหโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเอ็นเดี๋ยวกระดูกเดี๋ยวกระเพาะเดี๋ยวลำไส้เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวประสาทเดี๋ยวสมองเดี๋ยวหลบผมล่วงผมรังแคมันมีแต่เชื้อโรคเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยที่มองเห็นแบบหยาบเลยไม่ต้องพูดถึงว่าอยู่ข้างในข้างในพุทเจ้าบอกเอาไว้แปดหมืตระกูล เลกทอยู่ในร่างกายคนคุณไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนมันทั้งลูกทั้งหลานสืบพันแพ่พันอยู่ในนั้นหมดแต่หมื่นตระกูลตระกูลหนึ่งโอ้โหมันกี่ล้านแต่และตระกูลกั่ละตระกูลแต่เราไม่รู้เฉยๆอาปาขึ้นมาโอ้โหลองลอ ง, ลองไม่แปรงฟันลองไม่ทําความสะอาดมั น, ม, น, นมันเน่าแล้วอยู่ข้างในนี้น เศษอาหารติดมันก็มีกลิ่นแลโอ้มันเป็นภาราไปหมดเลยนะถ้ามาทําความเข้าใจอะ่ะแล้วลองลองลองลอ ง, ลองนึกถึงในร่างกายคนอืน่นก็แบบเดียวกันนี่แหละถึงจะมองนึกเข้าไปข้างในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่ว่า อ, อร่อยนะเข้าไปข้างในมันก็ย่อยมันก็เริ่มเน่าเริ่มบูดในมันมีพวกไวรัสพวกแบคทีเรียอะไรอะ่ะ ก็ทำให้บูให้เหน่าเป็นของเสียออกไปสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็ย่อยเสร็จมันก็ส่งไปเลี้ยงร่างกายมันไม่มีอะไรสวยงามบางทีเรามอ ง, มองเราเราเราเราเราไม่ได้ตรวจดูรายละเอียดมัอนกเอาตัวเรานี่แหละมันจะมีแตม่มองดูส่วนไหนบ้างที่มันไม่สม ป, รปูรณไม่ได้หรอ นี้เพื่อร่างกายเราก็ยังขนาดนี้เอาร่างกายคนอื่นเข้ามาอีกจิตของเราก็วุ่นวายอยู่แล้วแล้วเอาจิตคนอื่นมาอีกมาแบกอีกโอ้ยไมรู้โง่หรือฉลาดนะที่นี้อันนี้พูดสําหรับบรรเทาพวกกรมรมหลักะที่จิตมันไปจิตไปข้องให้มันมองเห็นแนวทางว่าเฮ้ยมันไม่ไหวนนะ ลองทำความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แน่เอาเอาบางทีเนี่ยแล้วคนใส่บาทเนี่ยมองไปทางมองมองว่าเออสวยงามอะไรอย่างเนี้เวลาเวลาเขาตักบาทรเราเราแค่มองดูมือนะมันก็มีกระดูกนะมีเส้นเอ็นมีหนังเขาบอกเออมองดูแค่มือนี่มันก็ มันก็ทะลุไปถึงตัวเขาแล้วคนเขาไม่ได้มองแบบนี้มั้งเนี่ยมองไปว่าเออคนนั้นสวยคนนี้งาม่ถูกใจพอใจอมันจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเรามันมองไปแบบอแค่มือแค่นิ้วมือพอเขาจับช้อนตักมันก็ต้องเก่งมือไอกระดูกมันก็ส่นเอ็นมันก็ขึ้นมาหนังมันก็ยืด หดตัวของมันมองเห็นแค่นี้เราก็โอ้ไม่ได้มีอะไรเนี่ยเนี่ยยิ่งถ้าหาวาไปคิดถึงจิตใจนะโอ้โหจิตใจเนี่ยมันมันมีแต่ความหลงอะเมื่อมันหลงมีตัวมี ต, มตนอะ่ะมก็จะเอาอันนั้นอันนี้มาเพื่อตัว ต, วตวนอะ่ะมก็ต้องมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานเหมือนกันลํำพังคนคนหนึ่งก็จะแย่อยู่แล้วแล้วไปเอาสองคน มันก็เดือดร้อนมันก็ไปมองแต่ว่าเออเขาพูดดีแน่แน่แนอตอนตอนแรกก็พูดดีอยู่ทำดีทำดีอยู่แต่เบื้องหลังนันคืออะไรเราคนเดียวก็วันวันหนึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดความขัดแย้งในตัวนะ แล้วถ้ามีคนอื่นดีก็มันรับรองมีปัญหาแน่ๆขัดแย้งแน่ๆมันก็จะเบาลงแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากเอาแล้วยิ่งจะมาทําทความเข้าใจว่าเออร่างกายมันจริงๆแล้วก็มันไม่แน่เอาหรอกอมันเป็นสุดท้ายมันก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นทาตดินสูญสิ่นสลายไปถ้ามันยังหลงอยู่ก็แสดงว่ามันหลงหนัก แล้วมีข้ามาคำหนึงคำนวณถึงจิตใจคำานึงถึงจิตใจใจเราก็มีกิเลสมีตัณหาไม่ถูกใจมันก็โอ้โหฟุ้งแต่งขนาดเรานี่ก็ยังดูอยู่นะไม่ใช่ไม่ดูนะบางทีมันไม่ถูกใจเนี่ยมันสั่นหัวในใ น, ในข้างในอะ่ะมันทำท่าสั่นหัวเข้ามานะ่ะไม่ไหวไม่ไหวนะเราบอกเออมันก็เป็นได้มันเนี่ยแต่มันไม่แสดงออกมาถ้าแสดงออกมามันก็คนเขาเห็นเขาก็ ก็กระทบจิตของเขาได้ทําให้เขารู้สึกได้คิดไม่ปรุงแต่งไปได้เนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติทั้งสิตเนี่ยไม่ถูกใจมันก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ถูกใจกับถูกใจมันก็เป็นอย่างนี้นไม่ถูกใจเป็นอย่างนี้นก็ยังมีอยู่ เพราะบางทีมันแสดงออกบ้างมันต้องมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันดับเร็วมันไม่เข้าไปถึงจิตลึกๆแต่ว่าอาการข้างนอกวันเนี่ยมันมีปฏิยาอยู่บ้างหอตงไปตรงมาเลยไม่ต้องไปเอาไกลหรอกเอาตัวเองนี่แหละปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วมันก็ยังได้เห็นหน้าเห็นตามันว่โอ้บางทีก็ลุกขึ้นมา ไม่พอใจขึ้นมานิดๆทักๆคือมาอย่างเนี้ยเห็นปุน๊บขึ้นมาบางทีกออ็ต้องเคยเกี่ยวข้องกันนามนมาอยู่ด้วยกันเหมือนลูกเหมือนหลานเราเขามาพึ่งเรานอเว้ยนี่มันก็อ่อนเสียก็เมตตาเขาเสียสงสารเอาเสียนีคือมันโล่งมันรู้โล่งแต่ว่าจะไปห้ามมันไม่ได้ ไอ้จิตที่มันเคยปรุงแต่งในทางดีบัางไม่ดีบัางสารภาพเรื่องอยู่ในจิตเนี่ยถ้าไม่ฝึกจิตโอ้โหยมันก็เอาปัญหาเอาทุกข์เอาความเดือดร้อนมาให้เราอะ่ขะขนาดฝึกมันเห็นมันอยู่มันถึงเดะโอ้โหต้องยอมรับปัญญาของพระพุทธเจ้าฝุดยอดแล้วนี่แหละมันถึงลงให้พระพุทธยอดสุดๆเลยแต่ก่อนเราก็ไม่มีเอาอง่ายๆเลย ก่อนจะมาเกิดตรงนี้กับธาตุพ่อธาตุแม่มาเจอกันจิตยามดวงหนึ่องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ธาตุพ่อธาตุแม่พบกันแม่มึงได้ดูแล้วก็พ่อกับแม่นอนด้วยกัน เ, ก น, น, นเร่วมกันนอนร่วมกันแล้วก็เมื่อธาตุพ่อธาตุแม่เจอกันจิตยานดวงนั้นก็เข้ามาอาศัยคือจิตที่มาเกิดเป็นเราเนี่ยมันจะจิตบิดยาณ จิตตงยานตรงนั้นมันจากไหนมันเริ่มต้นคือมีตัวตนมีเรามีเราก่อนมีตัวเรามันมีตัวเราปั๊บมันก็มีปรุงแต่งเพื่อเราทำดีก็เพื่อเราเป็นเราทำทำไม่ดีก็เราทำสงบก็เป็นเราสงบมีแต่เราหมดเลยความเป็นเรานี่ถูกเก็บเอาไว้ ผลจากการกระทําคือทํากรรมทํากรรมแล้วก็เก็บเอาไว้ว่าเป็นเราทำทำดีบ้างไม่ดีบ้างสงบบ้างเก็บไว้หมดเขาเรียกว่าตัวที่มันหลงจะเป็นเรานะี่ยคือตัวอวิชชาอาวิชชาเนี่ยมันหลงว่าเป็นเรามีตัวมีตนมีตัวเราแล้วก็มันทําให้มีสังขารปรุงแตง่เราต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ดีบ้างไม่ดีบ้าง สงบบ้างเป็นเราทำเมื่อเราทำแล้วมันก็เลยเก็บเอาผลของการกระทาอันนี้ไว้ในจิตเขาเรียกว่าพาวังขจิตหรือว่าพาวังขวิญญาณเวลามันจะมาเกิดทับปฏิชนที่วิญญาณมันจะมีจิตดวงหนึ่งเขาเรียกว่าจิตตีจิตหรือจิตตีวิญญาณมันจะมาทำหน้าที่ดับตาย ดวนี้ตายแนละ้วมันก็โอนถ่ายคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของกรรมที่เราเคยทําไว้นั่นแหละถ่ายโอนมาเกิดเขาเปรียบเหมือนว่าเทียนเล่มหนึ่งจุดไว้อีกเล่มหนึ่งยังไม่จุดเล่ที่ไม่จุดนี่ก็คือไ อ, อ้ไฟ น, น, น, ญญ น, นี่มันจะมาติดหมายว่าวิญญาณตรงนี้มันจะมามาเกิดนะวิญญาณนีนเหมือนไฟนะเอาไฟดวงนั้นมาจุดทับ ใส่เทียดีดืงหนึ่งลุกขึ้นมาเป็นไฟขึ้นมาเหมือ น, นกับจิตเนี่ยมันถ่ายโอนคุณสมบัดของกรรมมาพับเข้ามาจุดขึ้นมาเป็นไฟหรือมาเป็นจิตเป็นยานใหม่จงยานดวงนั้นก็มีกรรมอยู่กรรมนั่นก็มาสร้างร่างกายคนที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้โหร่างกายที่คนทิ่การเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะอยู่ บางทีเขาเอาบอกออกทีวีขอให้คนช่วยสู้ไม่ไหวเรามองเห็นโอ้กรรมของสัตว์ตัวน่างี้เองเอแต่มีคนช่วยก็เจิบุญมันยังมีอยู่มีคนช่วยแต่ยังดีว่ารู้จักช่องทางที่จะหาคนช่วยคนนั้นมันก็มีบุญไอ้บางคนก็น่ารักทั้งทั้งที่พิการโอ้คนชอบเออทำอะไรกับ โหลกหกขานไปหมดเนดี่ยหรือบุญของเขาส่วนที่กรรมดีมันก็มีกรรมไม่ดีก็ไม่มีก็ดีก็มีกรรมไม่ดีให้ผลทางร่างกายมีเือฆาาสัตว์อะไรมันก็มีคนวิการเนี่ยหรือว่ามีชีวิตต่อมาก็โดนตีบ้างโดนอะไรบ้างโดนทุกข์นั่นแหละไปฆ่าไปตีเข้ามาก่อนมันก็มาไปเป็นคุณสมบัติของจิตตัวเองอคุณสมบัติของกายที่นี่คุณสมบัติของจิต มันก็ทั้งคิดดีบ้างไม่ดีบ้างมีมีกิเลสปัญหามานี่เอี่ยถ้าเราเคยคิดไม่ดีเคยทําไม่ดีเนี่ยทำจิตใจก็เหมือนกันเขาไปสบเหตุที่ไม่ดีอ่ะแต่เคยทําบุญชุนทานมาเออดใจมันก็น้อมมาทางทําบุญชุนทานอยากมาวัดมาวา่าฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี้ไปกุศลทั้งนั้นเงี้ยก็มาทําให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จริงๆมันถ่ายโอนมาแล้วจิตของคนเราเวลาทํางานมันก็เป็นกระแสเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะมันอยู่ลึกถ้าหาว่าในสมาธิต่อไปมันจะค่อยๆเห็นขึ้นเห็นขึ้นมันสโลโมชั่นได้ในสมาธิมันทําให้ชิ้นต่างๆเนี่ยมันมันช้าเหมือนมันช้าแต่จริงๆมันก็ทับเป็นของมันนั่นแหละแต่ว่าสติเรามีกําลังปัญญายาณเรามีกําลังมันส่องเข้าไปเห็นมันเลยเป็นเหมือนสโลโมชั่น เราบางทีดูจิตเนี่ยมันเหมือนกับเห็นเห็นชัดว่ามันทํางานยังไงแต่ว่าเวลาลืมตาขึ้นมามนไม่เห็นนะแต่ว่าการที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยมันจดจดจำเอาไว้จิตเนี่ยมันไม่ยึดมันปล่อยได้มันวางได้แล้วมันก็ไม่ยึดติดข้องมันมีกรรมมีกรรมแล้วก็เลยต้องมาหารูปนามคือกายเนี่ยใจเนี่ยเพื่อรองรับกรรมที่ตัวเองทำอํำมาไอตัวที่จะ ลองรับกรรมก็คือว่าตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันต้องผ่านทางตาได้เห็นแล้วก็ทําให้เกิดทุกข์ได้ยินแล้วทําให้เกิดทุกข์ได้กลิ่นทําให้เกิดทุกข์ลิ้นรดแล้วทําให้เกิดทุกข์สัมผัสทําให้เกิดทุกข์ใจคิดอะไรขึ้นมาแล้วกระทบจิตอีกทีหนึ่งทําให้เกิดทุกข์นี่แหละที่มาของทุกข์เนี่ยมันมาทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจถ้าใครสติดีเวลามันกระทบปั๊บรู้ทัน ปัญหาจะหมดถ้ารู้ไม่ทนันหนามันมรู้สึกขึ้นมาแล้วสบายไม่สบายรู้ทันอีกจบอีกแล้วต่อมามันยังไม่ทันอีกมันอยากอย่างงาั้นอยากอย่างนี้ยังไม่ได้ทําอะไรหรอกมันอยากก่อนรู้ทันก็ดับอีกถึงก็ไม่ทนันมันอยากบ่อยๆไปยึดอุปทานแล้วทีหนี่เออยากบ่อยๆนี่เป็นอุปทานแล้ว มันก็ไปเอาเรื่องนั้นมาคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆที่นี่เป็นพพแล้วฝังอยู่ในจิตแล้วปูนแต่งเรื่องนั้นวนเวียนจนหนักอึ้งอยู่ในจิตหนักแล้วหนักอีกวนไปเวียนมาเป็นชาติแล้วจริงๆที่แรกไม่มีหรอกพวกนี้เพราะสติเราอ่อนเฉยถ้าเรารู้การทํางานของจิตเนี่ยเราไม่ปูนแต่ท่ามันเมื่อไรหยุดมันเมื่อนั้นทาน่านเมื่อไหรหยุดมันเมื่อนั้นเบาทันทีเลยอย่างละไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ไม่ทําตามมันแค่นั้นล่ะเอาแค่ให้เห็นมันรู้ว่ามันเกิดแล้วต้องดับรู้ว่ามันเกิดแล้วต้องดับใส่ความจริงเข้าไปเพราะเพราะมันเป็นความจริงนี่จิตก็ต้องยอมรับความจริงสิมันปรุงแต่งก็ยอมรับว่าเราไม่ทันไม่ทันแล้วมันมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ยอมรับดูมันจนกว่ามันจะดับตั้งใจดูมันอยู่แค่นั้นล่ะไม่ทําตามมัน ไม่ให้อาหารมันไมให้เหยื่อมันถ้าอย่างนี้ก็เกิมันจะคายออกแล้วนิมานมันก็ไม่ยอมนะมันก็ใส่เข้ามาใส่เข้ามามันก็โอ้โหมันรู้สึกมันมีรสมีชาติมันทําให้เราจิตเราอ่อนเนี่ยมันครอบงําจิตเราเพราะเราคอยตามมันเราหลงกลมันเหมือนเหมือนเราไป็นรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีค่ายกลถ้าใครหลงเข้าไปในค่ายกลหาทางออกไม่ได้มันไปเวียนมาเยอะ ไอ้พวกนี้กับทำให้หลงอยู่ในนั้นเนี่ยแปรค่ายออกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําให้คนนั้นวนเวียนอยู่ในค่ายนั้นจน็จนเหนื่อยหมดแรงยอมจำนนนี่ค่ายคนของเขาจิตก็เหมือนกันแหละมามันก็ครอบงำครอบงําแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวจิตเราวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้อ่อนกําลังสุดท้ายจะยอมจำนนแพ แต่ถ้าเราความจริงเข้าไปนี่มารอยู่ไม่ได้หรอกยังไงยังไงต้องดับที่พระเจ้าดูก่อนมานนเรเวลามารมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยดูก่อนมารเรารู้จักท่านเสียแล้วท่านถูกเรากําจัดแล้วมารทําอะไรไม่ได้กำจัดก็คือหมายว่านี้แลเห็นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนี่แหละ มานอยู่ไม่ได้มานเนี่ยมันอยู่กับความจริงไม่ได้มานนี่ต้องหลอกลวงให้ส ต, ตุนให้คนหลงหลงก็คือสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาหลอกจิตของคนให้หลงใครหลงไปก็เท่ากับหลงค น, นเพราะฉะนั้จะาออกจากมารได้ก็คือว่าต้องรู้ความจริงเอาความจริงไม่ใชไปลบกับมารแต่ว่าอยู่กับความจริง ว่าสิ่ง น, นี้เกิดแล้วต้องดับไม่มีตัวตนอะไรมันเกิดในจิตเราก็จริงอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับแต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่เราแน่นอ น, น, อนเกิดแล้วต้องดับอยู่บางทีเขาเรียกเจียวสิทธิบางทีก็สังขาระขนันเอาสังขาระขันก็ชิงปรุงแต่งอะ่ะกองเห่นการปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆแล้วมันจะเป็นเราได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าหาว่าเราจริตเรายอมรับได้นี่แหละที่ว่ากําจัดมารไม่หลงกลนมาร แล้ถ้าว่าทุกข์ให้กําหนดรู้เนี่ยมันมีทุกข์ในจิตเราเราก็ดูมันเห็นมันเนี่ยมันก็เข้าทางอริยสัจสี่ทันทีเลยรั่วดูแล้วมันก็จะรู้ว่าเพราะเราไม่ได้ดูสภาวะทุกข์เราไม่เห็นว่าอสังขารทั้งหลายมันเกิดดับเราไปยึดมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็มาทุกข์ในจิตของเราเราไม่เห็นว่าร่างกายเนี่ย มันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ของเราเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ไปดูทุกไม่ไปดูสภาวะทุกไม่ไปดูความจริงเหล่านี้มันก็ทำให้เราไปหลงยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็มาทำให้เราเป็นทุกข์จริงว่าทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์เพราะหลงก็ต้องทาให้หายหลง เราจะทดทวนการปฏิบัติก็คือเริ่มมีสติสติรักษาจิตได้จิตก็เป็นสมาธิสมาธิมากสมาธิน้อยมันพอดีกับจิตเราขนาดไหนเราก็ทำไปถ้าว่ามันมีมันมีสมาธิมันมีกําลังขึ้นมามันก็จะเห็นเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเออจะไปคิดนั่นคิดนี้ดูเห็น การทำงานของขันห้าเห็นลูก ป, ประขันรวมกันในหลายลูกรวมกันก็เป็นกายยูกายดูส่วนต่างๆของร่างกายหรือจะดูว่ากายเนี่ยมันมาจากลูกลูกหลายๆลูกรวมกันมันจริงไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงๆ เวทนามันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็เป็นเวทนาเท่านั้นคือจะเห็นว่าเป็นเวทนาหมายว่ามันเป็นหน้าที่ของเวทนาไม่ใช่เราอยากให้มันเป็นนะแล้วเราจะไปอยากให้มันหายก็ไม่ใช่มันเป็นของมันเรามีที่รู้มันรู้มันว่านี่คือหน้าตาของเวทนาเป็นอย่างนี้มันบีบมันคั้นอย่างนี้เวทนาทางกายแต่ว่าเราไม่รู้ทนมันเดี๋ยวมันก็ไปเป็นเวทนาจิต มีนมิดลำคาญขึ้นมาก็ไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยมันก็เรื่องราวมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นมันคือว่าเห็นอรเยสกสัจสี่นี่ไหมว่ามาดูขันห้าอุปทานในขันทั้งหันแต่คือตัวทุกผู้เจ้าทุกให้กําหนดรู้ก็เลยต้องมากำหนดดูขันห้ากําหนดดูก็เห็นหน้าตามันว่าขันห้าเนี่ยเอาอย่างตัวเจ็บตัวปวดตัวทุกตัวทรมานพวกนี้มันก็เป็นแค่เวทนาะเภทามันทําหน้าที่ของมัน ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เองเรานั่งนานก็ต้องมีเจ็บมีปวดขึ้นมาแต่เราไม่ดูมันไม่เห็นมันไม่เข้าใจมันก็เป็นเราเจ็บเราปวดเราก็ทรมานแต่ได้เห็นมันว่า น, นี่เป็นเรื่องของเวทนามันก็อยู่เฉยได้ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเอานี่เรื่องสังขารสังขารหักฐานกองแห่งสังขารของของปุงแต่งปุงแต่งมันเป็นเราไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของสังขาร เวลาจิตสบายไม่สบายเอาก็เป็นเวทนาหน้าที่ของเวทนาก็เป็นเรื่องของขันห้าเวทนาขันสัญญาเอาวก็สัญญาขันมันไปไปเห็นไปเห็นหรือไปได้ยินไปจําไปหมายมาครั้งนี้หนูจําจได้หมายรู้เป็นเรื่องของสัญญา ถ้าจาได้มันเห็นว่าเออ น, นี้เกิดดับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอนัตตสัญญาอันนี้จัสัญญามันก็มีประโยชน์ <c oughs> เห็นความจริงขึ้นมาแต่มันจาผิดผิดมันก็นึกว่าเที่ยงเหมืนเห็นคนสักคนหนึ่ง เ, าเราก็คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปจริงจเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวก็เท่าเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็เสลายไปมันคิดไม่ออกเห็นเขาดีพูดดีมันก็ไม่รู้ว่า ไปจิตแจ้งคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีอะ่ะเขาแสดงความรักรักแด้มันก็ชังได้รักแด้ก็โกรธเปรียดกันได้คนเอาขอเข้าใจใช่เพราอเขากําลังต้องการผลประโยชน์มันก็แสดงออกมาได้เพื่อผลประโยชน์ของเขาแล้วเราก็เหมือนกันเพื่อผลประโยชน์ของเรา เราก็ทำได้ต่อไปมันก็ไม่ถูกใจขึ้นมามันก็เบื่อหน่ายแล้วก็มีอะไรที่มันน่าเบื่อหน่ายที่มันไม่ไม่ยินดีไม่พอใจกันก็มีขึ้นมาปัญหาก็ตามมาอีก่ คือมันคิดไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่ามันไปหลงมันไปว่าสิ่งนั้นมันจะเที่ยงสิ่งที่เขาแสดงออกมามันเที่ยงมันจะอยู่ตลอดไปนี่นี่คือความหลงในจิตมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตัววิชามันละเอียดอ่อนมันไม่ได้บอกเป็นวิชาบอกเป็นเรามันจึงต้องได้ปฏิบัติตามคําสอนของบรรดาเหลานีสติแล้วก็มาดูกันถ้าดูในสมาธิ มันถึงจะเป็นมียานเกิดขึ้นเห็นความจริงได้เพราะว่าอริยมรรคมีองค์แปดคือทางเดินเพื่อที่ออกจากทุกเนี่ยมันต้องมีตัวสมาธิด้วยเราจึงจงจเจริญสติด้วยเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วก็เพื่อให้เป็นบาตรฐานของปัญญาเพื่อมันเข้าไปเห็นความจริงไปรู้ความจริงถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่จิตต้องปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นความจริงวางไม่ได้บางอย่างละด้วย ความเข้มแข็งของจิตใจคุรุเจ้าบอกอาตาปีสัมปชานสุสติมาอาตาปีแว่าเพียนเผากี่เลสให้เราร้อนไม่ทําตามไม่คอยตามความอยากความต้องการของตัวเองกิเลสบางอย่างละได้ด้วยเจตนาของเราเจตนาที่ไม่ทําเจตนาไม่พูดเจตนาที่ไม่เกี่ยวข้องมันละได้ด้วยเจตนาก็มีบางอย่างละด้วยด้วยสมาธิ ตั้งสติขึ้นมาเพ่งเล็งให้มันแรงขึ้นมาให้มันก้าวข้ามไปตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่ารายละเอียดตัวละเอียดนั้นต้องละด้วยปัญญาเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่ของเรานั่นคือวิปัสนาญาต้องใช้ปัญญาวิปัสนาจึงจะละได้มันก็หลายขั้นเาพ อ, อาขั้นไหนก็เอาชาระมันไปก่อน วันละเอียดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไอ้คุณสมบัติทั้งหลายของจิตเราที่มันติดมาด้วยอำนาจของกรรมที่ติดมาเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นขันทันดานมันอยู่ในสันดานมันฝังลึกอยู่ในสันดานเอาจใจนั่งทำํำพังสักสินาทีนะก่อนที่เราจะพัก ใจเวลาจะเลิกแล้วตั้งใจดูเฉยๆเหมือนอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไปแต่เราขอดูถ อ, อยเหมือนกับถอยออกมาเป็นผู้ดูอะไรเกิดต้องดับสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับมันเป็นตัวเป็นตนไม่ไดับเป็นของเราไม่ได่เรื่องเราทั้งหมดเกิดแล้วต้องดับ เมื่อมันเกิดดับมันไม่มีตัวตนจิตเราก็จะไปรู้จะได้ไม่ไปหลงยึดอะไรแล้วเราก็เป็นแค่ผู้ดูเนี่ยคือถ้า ส, สมาธิใครมันแน่วแน่มันจะดูได้ตัวดูเนี่ยคือคือจิตที่มันมีปัญญายานจิตที่มีปัญญาเข้ามาประกอบมันสามารถรู้ได้เพราะนั้นใครมีปัญญามาก จิตก็รู้ได้กว้างขวางเหมือนร่างกายคนเราถ้าไม่ออกกำลังกายก็อ่อนแอแต่ถ้าเราออกกำลังกายแล้วร่างกายจะเข้มแข็งแข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็เพราะเราออกกำลังกายจิตมันรู้อารมณ์ได้ก็เพราะว่ามันมีปัญญาร่างกายแข็งแรงมันก็ยกของได้มาก ของหนักๆได้เพราะเขาออกกำลังกายทมให้ร่างกายแข็งแรงความแข็งแรงก็ยกของได้ส่วนจิตใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมีปัญญามากขึ้นจิตก็สามารถรู้อะไรได้กว้างขึ้นเห็นความจริงชัดเจนขึ้นมองดูก็รู้ว่าจิตเป็นผู้ดู ส่วนอย่างอื่นเป็นสิ่งถูกดูไปเรื่องเราข้างนอกมันจึงไม่ใช่จิตจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมอย่างอื่นรู้อารมไม่ได้มันจึงไม่ใช่จิตไม่ใช่อันเดียวกันเราก็คือจิตตอนนี้คือสมมติจิตว่าเป็นเราอยู่เหมือนมีเราอยู่เรากาลังดูอยู่ เพราะสิ่งถูกดูทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งถูกดูไปแล้วเพราะนอะไรเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งถูกดูหมดเกิดมาเพื่อให้จิต ด, ดูกายเราก็เป็นสิ่งที่จิต ด, ดูรู้เห็นเวทนาก็จิตก็เข้าไปดูเป็นรู้ว่ามีเวทนามันไม่ใช่จิตไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันสังขารเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของเรา เรื่องราวทั้งหลายอยู่ข้างนอกไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็จะวางอารมณ์ได้ขอให้สรุปผลของการปฏิบัตินะว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงดูอะไรทําความเข้าใจอะไรรู้สึกยังไงเฉพาะตัวเราเป็นเรื่องของเรา คนอื่นเป็นยังไงเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของเรานี้เราเข้ามาดูอยู่ข้างในของเรารู้อยู่ข้างในเราเปลี่ยนตัวนะให้การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในวันนี้เป็นเครื่องสัละบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์เดี๋ยวการปฏิบัติธรรมนี่แหละเดียวปฏิบัติบูชาแล้วก็เป็นการบูชาอย่างแท้จริงด้วยเนี่ยพระเจ้าตัดเอาไว้อย่างนี้ วันนี้เราก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถของเราแล้วและก็ย้ำอยู่เรื่อยข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งนไปคอยข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอายะชะจะทมจ น, นจพ้นจากทุกนวัตกรรสามเลยเถิด จากนั้นก็ตั้งใจทิฏฐบุญนะรวมรวมมันบุญเข้ามาอยู่ในใจเราขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เสียญาติทวดาจะรักษาและนายเรียนของข้าพเจ้าให้เสียญาติทวดาจะรักษาและนายเรียนของพ่อของแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องคูณก็คุณของข้าพเจ้า ให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกจำทุกภูมิรวมทั้งดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านในเรือนในที่ทํางานร้านค้าในบริษัทในโรงงานในไร่ในนาในสวนในที่ดินในสมบัติพระสถานของคข้าพเจากให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล พอพุทธศาสนาคอยช่อเหลืพอผู้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ขอให้ยินดีรับอบุนของพระบาาิดาให้ยินยินคืนไปโดยเถิดเมื่อรับอบุนแล้วต้องการสิ้นใดก็สมความปรารถนาด้วยอํานาจของบุญที่พระเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้คมครองดูแลที่โน้นเพื่อ น, นี้พระบิาทําสิ้นใดก็มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญงดงามให้ยินยินคืนไปยเถิด พระเจ้าจะมันทำบุญแล้วก็อุทิบุญจะให้เยอะๆนะเราทำความรู้สึกบุญเราไปจัดใจเราเราพยายามเลยเราอยากให้บุญใครอย่างอุทิเทียรใครย้ำให้บุญมีกำลังให้มันถึงแน่ใจว่าบุญถึงจริง